เรื่องตึงแห่งกรจะต้องบอกย้ำจำในใจแลกชั่วยทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคงสวัดดีกันวันนี้เป็นเคสที่เก้ร้อี่สิบ ลกขวัดเมื่อปี2539้าสเก้าเมื่อพรดพระปภวเดชระคุณหลวงพ่อความปราบเรื่องปิติกรรมเกิดขึ้นกับลูกเป็นล้นพ้นคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นคําสอนง่ายๆหลวงพ่อไม่เคยว่ากล่าวหรือตําหนิบุคคลใดที่ได้ทำผิดพลาดแต่พระเดชระคุณหลวงพ่อจะแจกแจงถึงโทษสารนุโทษขององค์ความผิดจริยธรรมจากนั้นก็จะหักดิบไม่กระทําอีกความผิดพลาดทั้งหลายให้ลืมให้หมด ละให้ตั้งหน้าประกอบกิจกรรมดีกาสอนเรานี้ลูกไม่เคยได้รับฟังในสถานที่อื่นเลยนอกจากที่นี่ที่เดียวก่อนจะกข่าวาระธรรมกายรู้จักจขอเล่าย้อนไปเมื่อครั้งที่ลูกยังรับราช ก, การอยู่ในกรุงเทพคือมาราปี2530 19ปีที่แล้วขณะนั้นลูกได้รู้จักจกับเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัด อายุเธออ่อนกว่าลูกสิองปีต่มาเมื่อสมัยงลูกถึงแก่กรรมเธอจึงมาสนิทสนมกับลูกแล้วก็ชวนไปวัดต่างๆบ้างนั่งสมาธิบ้างและเธอพู้นี้คือกัลยาณมิตรที่เด่แนะนําให้ลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายนั่นเองทั้ที่เล่าถึงชีวิชีวประวัติและการปฏิบัติธรรมและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของเธอให้ลูกได้รับรู้เสมอมา ครั้งหนึ่งเธอเล่าว่าประมาณตีห้าเธอออกจากครางไปปรากฏตัวอยู่ในห้องนอนบ้านลุกศิธิออ์ซึ่งนอนอยู่กับพี่ๆน้องๆเธอเข้าไปใขยหย่าปลายเท้าออ ป, ปลุกให้ลุกไปหุงข้าวใส่บาตรปลุกลุกสิธิเออ์เธอเขาเป็นครูนะ ลูกศิษก็ลืมตาขึ้นมาดูอย่างงงงงพอไปโรงเรียนลูกศิษย์จึงถามเถอว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไปปลูกผมใส่บาตรที่บ้านเลยครับ เ, <อ>เธอเล่าภายหลังว่าก็ตกใจเหมือนกันว่าตัวเองไปได้อย่างไรคือตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลูกศิษย์ก็มีปรากฏการณ์ที่เด็กที่เธอได้เห็นอย่างนั้น แล้วบางทีก็หลุดไปยืนอยู่นบนหลังคาของโรงเรียนคงหนีน้ำมุงมิเพื่อครูพระก็เห็นเธอว่าเธอไปยืนอยู่นบนนั้นได้อย่างไรจริงๆด้วยมันก็ยังงง ง, งอยู่เครื้งหนึ่งเธอได้สอนเด็กนักเรียนให้ฉันให้นั่งสมาธินึกถึงดวงแก้วองค์พระพอหมดเวลานั่งเธอได้ทักเด็กว่า ทำไมเธอถึงได้ตินึกแต่ห้างสัรพสินค้าอยู่ล่ะธรมเด็กในชั้นหัวเราสนุกสนานเพราะเธอรู้ว่าระจิตเด็กแล้วทีนี้เธอยังได้ยินเสียงของคนโทรศัพท์ซึ่งยืนอยู่ห่างไกลาจากเธอเห็นกันที่อยู่อีกห้องหนึ่งว่ากําลังทําอะไรอยู่สา ม, มารถบอกได้อย่างถูกต้องบางทีก็รู้ว่านกกําลังคุยอะไรกัน ทั้งหมดเธอร่อยลูกฟังเท่านั้นไม่ได้เล่าด้วความอยากดังอย่างใ ด, ดลเล่าให้เฉพาะตัวลูกเท่านั้นฟังนอกจากขณะนั้นเราจะทัวไปตามวัดต่างๆแล้วพวกเรายัางใช้บรรดาที่รักษาโรคให้ผู้ป่วยด้วยโดยเธอจะอเชิญเทวดามาให้การรักษารเราเรียกเทวดาองค์นี้ว่าปูรุสีสวรรค์ปูจะไม่เข้าทรงผู้หนึ่งผู้ใด แต่ติดต่อทางจิตกับเธอโดยผู้ป่วยจะเล่าให้ปู่ฟังว่าเป็นโรคอะไรอาการอย่างไรจากนั้นปู่จะบอกวิธีรักษาหรือบอกตำรา ย, ยาเธอก็จะเป็นคนฟังแล้วก็ถ่ายท่าแกผู้ป่วยอีกต่อ น, นึงโอโหงิ้จดสิทธิบัตร <laughs> ยาได้สบายเลยเอ๊ะ <laughs> ดีเหมือน <laughs> ในเรื่องการรักษาโรคนี้ ลูกมีประสบการณ์ตรงกับปูรฤาษีดังนี้ค่ะเมื่อปี2526ลูกได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแล้วก็ต้องฉายรังสีอีก25ครั้งต่อจากนั้นหมอจะติดตามผลหลังรักษาอีก10ปี9ปีต่อมาในปี2535หมอพบว่าเนื้อตรงตับมีบริเวณหนึ่งผิดปกติแต่ก็ไม่วินิจฉัยไม่ได้วันเนื่องจากอะไร จะมีการประชุมกันนัดแพทย์และวก็นัดให้ลูกไปทําการผ่าตัดแต่มาถึงวันนัดลูกก็ไม่ไปหาหมอเพราะเชอาวันี้พาลูกไปนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นจึงนําลูกไปที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็เชิญปูรฤษีลงมาลูกเล่าเรื่องที่หมอตรวจพบให้ ป, ปู่ฟังปู่ก็สั่งให้ลูกทานน้ํา ว่านหางจระเข้ให้ทานถั่วงอกและกั น, น้ำสับปะรดทั้งสามสิ่งนี้ให้ทานติดต่อกันสามเดือน <S S S oh. ลูกก็ทำตามมาครบสามเดือนก็ไปหาหมอคนเดิมอีกครั้งหนึ่ง oh. ผลการเอกเสลไม่พบสิ่งผิดปกติในตับและถุงน้ำดี oh. เอาล่ะสิ oh. หมอจึงจำายลูกจะ บ, บันทีผู้ป่วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามเป็นเรื่องที่ลูก อัศจรรย์ใจมากคับในลาปี2540อหานมสาสร้างบริมีกับวัดพรทธมรมายาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของเธอของปีนี้เองเธอเริ่มสังเกตพบว่ามีก้อนเนื้อกลมกรมบริเวณต้นมข้างซ้ายมหมอทำการผ่าตัดแล้วพบว่าเป็นมะเร็งและเชื่อมะเร็งลุกลามกระต่อมน้ำเหลืองแล้ว หมอสั่งให้เธอไปรับการบหมัดต่อโดยการฉายแสงและฉีดเคมีแต่เธอเองไม่ยอมไปรักษารากกลัวร่างกายเธอจะรับไม่ไหวจึงออกจากโรงพยาบาลรักษาด้วยยาสมุนไพรประมาณ8เดือนจนในสังเกตว่าเธอสดชื่นและแข็งแรงขึ้นในราวปี2543สาม ก็นัคงะระบางส่วนเดินทางโดยรถตู้ไปรับบุญจัดดากม้ตกแต่งสถานที่ณวัดท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีในเทศกาลท่ากฏถินวัดตกค้างอเอ้ทุกปีเราทอดกรถินวัดตกค้างด้วยใช่ไหมจ๊ะแต่วันนี้เนะยครูไม่ใหญ่นก่ท่อกถินนะ ทำตามท่านอั ป, ปมาทเศสีิบุญชัยเบญจรงคคุณท่านชวนน้องๆและครอบครัวนะทอดกระถินน่าจะวัดพระธมกาฏแล้วยังทอดกระถินวัดสาขาทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกครูไม่ใหญ่เลยเอาบ้านทำตามาก็ทอดกระถินนทั้ง ทั้งวัดประจำกาและก็วัดสาขาทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกสาธุก็แบ่งบุญนี้ให้กันได้เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกสาธุโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะสร้างกันสะบันแหรแลกกันไปเลยกระถินตกค้างเส้นทางที่รถริ่งไปจะต้องขึ้นเขาตับเต่าซึ่งสูงมากแตวันนั้นรถของเราไม่สามารถกันเนินนี้ไปได้ เจ้าเฟอร์จึงเปลี่ยนเกียร์เพื่อจะชะลอรถลงข้างล่างทันใดนั้นเองรถก็เริ่มถอยหลังลงอย่างรวดเร็วเ oh. ริสเปส ป, ปะนจนเจ้าเฟอร์บังคับไม่ได้รถซึ่งกำลังจะพุ่งลงเหวเที่ oh. นนั่งคู่กับคนขับจึงร้องตะโกนเสียงหลงว่าคุณยายขาช่วยด้วยทั oh. นใดนั้นเองรถซึ่งจะพุ่งลงเหวกบถูกฉุดไปข้างหลังอย่างแรง oh. เมื่อลูกตะโกนเสียงหลงว่าคุณยายขาช่วยด้วย<อ>เป็นเหตุ<อ>ให้อัดเข้ากระเชิงเขาจนท้ายยุค<อ>เธอผู้เป็นกะเรมิตรพลัดตกจากเบาะศีรากกระแทกแผงกระดาน<อ>ที่บนทุกมาด้วยจนหมดสติโ<อ>ดยศีสางเธอพาดอยู่บนตักของลูกพอดีอเธอพากอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนไม่เด็ดสติแรกแสดงว่าสมองปลอดภัยดีแล้วจึงกลับมารักษาตัวต่วตอที่กรุงเทพโดยการฝังเข็ม แลก็เด้มาออ ก, กรายการสู้ต่อไปกับโอน่าชันวินิตด้วยหลังจากนั้นเป็นตอนมาร่างกายเธอก็เริ่มอ่อนแอไม่ทราบเป็นเพราะออกรายการสู้ต่อไปหรือเป <c oughs> ล่าและสุดโซมลงรับประทานอาหารได้น้อยลงเป็ูสุขกำลังที่มีอยู่ก็หมดลงจนต้องนำส่งโรงพยาบาลมาหมอตรวจร่างกายก็แนะนำให้ฉายแสงและทีทีโม แต่เทาก็บปฏิเสธเพราะร่างกาย ร, รับไม่ไหวนะการมีโรคนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งการไม่มีโรคเป็นรานภ เ, รเป็นบุอเสดก็ไั้นใครทำบุญอธิษฐานไว้ได้จ๊ะว่าให้เราแข็งแรงอายุยืนยืดจะได้สร้างบารมีไปนานๆาประวัตครูธรรมการปี442544มีพิธีชุบตัวน้ำที่ะมงคลเศรษฐี จิแจกสามสมงคลเศษฐีมเจ๊ะโยน่ามหาวิหารเดบกคุลหลวงปู่ของเรานี่แหละลูกษาเธาได้ไปร่วมงานที่วัดท่านานป่วอยู่ที่คอนโดบ้านสวนตะวันธรรมแล้วก็ร่มีผู้นำบุญท่านหนึ่งเห็นเธอมาร่วมงานบอยลูกษาเธอฟังเป็นที่น่าแปลกใจมาก 4, ยายจึงทํงวันที่สี่กันยายนสองห้าสี่ี่เธอก็แจกปฏิญาณสงบ โดยหน้าตาที่อิ่มเอิบผ่องใส เ, เตรียมตัวมายอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความตายแม่ไม่มีมินิวิตหมายก็ไม่ตกใจอะไรพร้อมเสมอในส่วนวของลูกนักกัมพละแม่ถึงกับอายุสีขวบเพราะแม่ไปโรคเนบชาไม่มีแรงใี่แล้เธอเองไม่ค่อยได้เสียชีวิตเมื่อยุติประมาณ32ปีลูก มีพี่น้องเพียงสองคนคือตัวโลกกับพี่ชายในครโนโนอบครัวนอกจะพ่อแล้วก็จะมีป้าสี่คนแอนนาอีกหนึ่งคนที่ช่วยเลี้ยงดูเราดังนั้นเมื่อโลย์ยุติแปดขวบป้าคนโตจึงจัดแจงให้พ่อแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง<ม>ก็ไม่ใช่ใครอื่นใกลที่ไหนหรอกก็คือคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน ก็คือน้าลูกนั่นเองนะครับเพื่อป้งกันสาวคนอื่นที่จะมาเป็นแม่เลี้ยงเอาหน้าเลี้ยงแทนดีกว <c oughs> า่าเมื่อจอลูกและพี่ชายโตขึ้นก็นได้เข้ามเรียนหนังสือในกรุงเทพและก็ตั้งข่าวขราวอยู่ที่กรุงเทพจนถึงปัจจุบันลูกจตงงานมาปีสองห้าหนึ่งศูนย์สามีของลูกเป็นคนจิตใจดีแต่ชอบสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาเสมอเสมอ เคยพูดขอร้องอะไรครั้งก็ไม่เป็นผลท้ายที่สุดประมาณเดือนตุลาคม2532ลูกก็ได้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปอดจึง ท, ทำการผ่าตัดปอดและฉีกคีมโมต่อมอ่ทกนเดือนก็เสียชีวิตอรมยุติใน53ปีพ่อองลูกเคยเป็นนักบินไประจำการอยู่ที่กองบินน้อยโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีในช่วงแรกที่ไปไประจาการพ่อจะมีหน้าที่ฝึกบินเครื่องบินขับไล่ ชาวนหนก่นที่พ่อจะขึ้นเครื่องบินเฝึกบินตามปกติแต่มีเด็กวินรุ่นน้องก็มาหาแล้วก็แจ้งว่าวันนี้ขอแลกเปลี่ยนเที่ยวบินกับพ่อคือเขาขอบินเที่ยวแรกนี้ก่อนพ่อขึ้นบินที่ที่สองพร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องบินกันด้วยพ่อก็ตกลงยอมเปลี่ยนเที่ยวบินพร้อมทั้งตัวเครื่องบินด้วยพอเครื่องบินลําที่หนึ่งทะยานขึ้นบนท้องฟ้า ก็บินวนเป็นวงกลมบินได้ไปเดียวเดียวก็ปักหัวลงดินเลยนักบินเสียชีวิตทันทีส่วนตัวเครื่องบินนั้นไม่ต้องพูดถึงพองลูกเชียงราบตายมาได้อย่างปาฏิหารนั่นคือครั้งที่หนึ่งที่เป่ยเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งพ่อไปฝึกบินที่จังหวัดประจวบคีริขันขณะที่กําลังบินอยู่ดีๆเครื่องเกิดขัดข้องพอแต่มองคับให้ร่อนลงทะเล ขณที่ดานต้อนเครื่องบินกระแทกพื้นน้ำที่อาวประจวบเข็มขัดที่รัตตัวนักบินก็ขาดร่างพ่อก็ไเด็นออกจากโทเครื่องบินพ่อจึงรักษาชีวิตรอดมาได้อีกครั้ง <c oughs> <c oughs> โอ้โหแข็งจริงพ่อไม่ได้ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่อายุ80 ป, ป, ปีก็ถึงแก่กรรมได้รอเส้นเลือดในเส้หมองติบแม้จะรอดมาได้แต่สุดท้าย คนเราก็ต้องต า, ตายคุณก็ต้องตายไม่ว่าใครก็ต้องตายพระคุณนั้นเคยตายสุนังรูปเป็นคนขยันซื่อสัตย์ชอบทําบุญเป็นคนใจดีใครมาขอความช่วยเหลือรกากรทาารจะไม่ค่อยปฏิเสธแต่จะพากับลูกหลานจะให้ทุกอย่างที่มีน้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจนกระทั่งอายุได้เก<อ>้าสิบกปีก็จะเริ่มรับประทานอาหารน้อยลง กำลังถอยลงไปจกกนกระทั้งช่วยตัวเองไม่ได้ยู่มาได้อีกหนึ่งปีเกษียชีวิตเมื่ออายุได้กาปีคำถามการที่กระพริบของลูกมีหูทิพตาทิพและติดตอกับผู้ที่อยู่ต่างพบต่างภูมิใดนั้นเป็นความจริงหรือไม่คะเหต่ใดเธอจึงต้องถอดจิต บ, บ่อยๆเธอเคยบอกว่าบางครั้งมันก็ถอดได้เองโดยอัตโนมัติ ตอนทอจิตไปร่วมงานชุบตัวทีศเศรษฐีทะเลบุญกับลูกสาวเป็นจริงไหมคะและวฏิบติฝึกสมาธิแล้วเกิดหลุดออกไปอย่างนี้ควรแก้อย่างอะไรดีคะปูรษีมีจริงหรือไม่ท่านเป็นใครที่ลูกหายเปื่อยกิดจัดละนิ่วในถุงน้ำดีเป็นเพราะยาของปูรษีใช่หรือไม่และบญท้ายลูกจึงหายได้คะ บุพกรรมใดก็มีของลูกจริงต้องหน้ามืดและปวดทิสสะอย่างรุนแรงปวดปบ่อยๆจนทนไม่ไหวและบุพกรรมใดที่หมอตรวจไม่พบมะเร็งในครั้งแรกกว่ามหมอจะพบโรคกรลาไปจนรักษาไม่ได้แล้วคะบุพกรรมใดลอตโต้ที่เรานั่งเป็นงานบุญของวัดสักดานจึงประสบอุบัติเหตุเกือบจะตกเหวคะและบุญกใดที่พวกเรารอบมาได้ แต่ทำไมเธอจึงเจ็บตัวมากกว่าคนอื่นตดยยิ้สระ ก, กระแทกแผ่นไม้นนหนาๆ อ, อย่างแรงจนหมดสติส่วนคนอื่นไม่มีใครบาดเจ็บบางคนอาจเล็ดยอกบ้างบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยเธอตายแล้วไปไหนเด้รับบุญที่พวกเราและพระ ล, ะลกูกศิษย์ทุทิศีร์ไปให้ไหมคะโดยเฉพาะบุญที่ลูกสาวเธอได้ช่วยรับบุญเกี่ยวกับงานแอ น, นิเมชั่นของทางวัด เธอฝากข้อความใดถึงตัวลูกลูกสาวขเธอและพระลูกศิษย์บ้างหรือไม่คะพระลูกศิษย์สวดพระอภิธรรมให้เธอทุกวันเลยเธอได้บุญอย่างไรบ้างคะเธอเคยเกี่ยวข้องกับลูกตัวลูกลูกสาวเธอและพระลูกศิษย์อย่างไรคะเคยสร้างบา ร, รมีร่วมกันมาอย่างไร และเคยสร้างบารมีลูกกัมูขคณะอย่างไรคะผลการปฏริบัติธรรมพุทธันดรที่แล้วเป็นอย่างไรให้เรามาสร้างบารมีรอบสองใหมคะผู้ประมใด้พระลูลกศิษย์จึงได้มาทาําหน้าที่เผยแผ่และจะได้บุญอย่างไรบ้างคะบุญใดที่ทําให้พ่อของลูกรอดตายจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงสองครั้งในครั้งแรกมีลุก น, น้อ ม, มาแรกเที่ยวบินกับคุณพ่อ และการที่สองพ่อกระเด็นหลุดออกมาจากเครื่องบินพ่อแม่และนางลูกตายแล้วไปไหนได้รับบนที่รูที่ไปให้หรือไม่คะมีข้อความใดฝากถึงตัวลูกบ้างคะประพฤติการใดสามงลูกจึงอายุสั้นและชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตายแล้วไปไหนคะเด้รับนที่ลูกที่ไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากถึงตัวลูกบ้ า, าง ลราขอความเมตตาพระคุณหลวงพ่อฝากคำถาม ถ, ามถึงสามีว่ายังอยากดื่มเหล้าและสุบุริอยู่อีกหรือไม่คะเทของอสุดๆเลยมั้งจำเรื่องราวกำถามได้ไมั้ยจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันมปนตรงมิตเตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาล่ยฟังมินิยายปารัมรากัญชากริีของลูกเด้เล่าตัวลูกฟังว่าเธอมีหูทิบตาทิพสามารถติดตากับผู้ที่อยู่ต่างภพภูมิได้นั้นก็เป็นเพียงแค่เป็นแบบเส้นชิ้เส้นแบบผุดรู้ขึ้นมาซึ่งบางทีก็ถูกบางทีก็ผิด จะเป็นอย่างนี้พระวาะในอดีตชาติจะ เ, เคยฝึกสมาธิแบบนอกตัวคล้ายฤศีชีพลายจ้าแล้วที่เธอเล่าว่าเธอถอดจิตได้เองไปร่วม ง, งานทิสะเศรษฐีกับลูกสาวนั้นความจริงเธอแค่ส่งใจมาม า, มากกว่าไปถึงก็ถอดจิตดังที่เธอเล่าหรอกเจ้าจะคล้ายฝึกสมาธิละเมตการคล้ายคลากับเธอนั้น สิงที่ควรทำคืออย่าไปสนใจในนิมิตเลือล่อนลอยหรือนิมิตโลนที่เกิดจากสมาธิอ่อนๆอซึ่งบางครั้งก็ตรงบ้างบางครั้งก็ไม่ตรงบ้างและหันมาทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่จะเฉยเฉยอย่างเดียวจ้าภูรษีจามที่ลูกเราเมันนั้นก็เป็นเพียงแค่นิมิตเก่าของเธอ ทีเคยฝึกสมาที่แบบอรุษีข้ามชาติมาเป็นแค่นิมิตเลื่อนลอยดังที่เด็กล่าวมาแล้วแต่ไม่มีตัวตนจริงจ้าลูกหายป่วยจากตับและถุงน้ำดีนั้นเพราะวิบากรรมเก่าแนดีตเบาบางลงจ้าโดยแนดีตลูกนระาเป็นคนชอบภูโกรธยิ่งท้เป็นโรคถุงน้ำดีกับชอบก่าสัตว์เล็กสัตว์น้อย ซึงมาเป็นโรคตับมากรรมมบาบางจะรักษาด้วยวิธีการใดก็หายจะกับเจ้ลูกน่ะมีบุญจะเคยไดสวายารักษาโรคแดพลาพิสุจน์สมมณเณร น, นำมาส่งผลด้วยจ้ากริีของลูกมักจะหน้าเมื่อปุตสิษะอย่างรุนแรง บ, บ่อยๆจนทนไม่ไหวเพราะกำเนิดดีชาติหนึ่งเธอเคยเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นทหาร ได้เคยทรมานข่าศึกด้วยการเอาเครื่องบีศีรษะข่าศึกบ้างขันชนะหัวบ้างมารวมส่งผลจะ้ะหมอตรวจไม่พบเร่มมะเร็งในครั้งแรกและกว่าจะพบร่อมะเร็งกระดามจะรักษาไม่ได้แลนั้นกับลักกรรปานาธิบาททั้งฆ่าคนข่ า, ขาสัตว์ในชาติเป็นทหารกระบกรรมการเมีเจ้าชู้มีพยายามมาก ได้ปิดบังแม่ภริยาลหลวงรู้มีภริยามากก็ปิดบงังมารวมส่งผลแจ้งราตัวทีลูกและผู้ไปร่วมงานวัชกาดาน ร, รสบติเหตุจนเกือบตกเหวและรอดมาได้เพราะกรรมและกรรมน้อยที่บีมดตกยุงกัแต่ละคนที่ทำมารวมส่งผล แต่ก็มีบุญปัจจุบันที่แต่ละคนทําไว้มาคุ้มครองสิ่งทาให้วิบากกรรมหนักๆของแต่ละคนไม่ได้ช่องส่งผลจ้ะบุญปัจจุบันนี่ปกป้องไว้กรณีของโรคบาดเจ็บมากกว่าคนอื่นคือศีรษะกระแทกแผ่นไม้นั้นหนาจนนําไม่เธอหมดสติแต่ก็อื่นบาดเจ็บเล็กน้อยและบางคนไม่เป็นอะไรเลยเพราะกรรมบรรณธิบาในชาติเป็นทหารนั่งกล่าวนะ มันก็ลมีของลูกนามาส่งผลขันชนะบิศิษะข้าสึกยิง ท, ทำให้เธอน่ะเป็นมากกว่าคนอื่นจ้ะจะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นติศิวบุรีวงมณ์วิเศษเขตสเบียงได้<า> บ, บุญที่ทำกับหมู่คณะจ้ะได้รับบุญทุกบุญที่ทุกคนเดี๋ยวทิ่ไปให้ก็ยิ่งทำให้เธอมีทิพย์สมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะ เธอมีความสุขมากได้ไปกับฟ้าหมาสมาํมณเทวบุตรธิวิม่มของท่านกําลังทําสมาธิภาวนาในเขตกองสอบเสบียงอยู่จ้าเธอได้ฝ้าหมาบอกทุกคนว่าให้สร้างบารมีเต็มที่อย่าได้ตกบุญเลยจะได้เคยมาอยู่กับมหาสาํานักเทวบุตรด้วยกันจ้าพระลูกศิษย์สวนพระองค์ทำให้เธอทุกวันก็ทําให้เธอมีความปิตรองใสตามพระลูกศิษย์ไปเลยจ้า เธอเคยเกี่ยวข้องกับตัวลูกลูกสาวเธอและพระราชลูกสิทธิ์ก็คือในอดตีตัวลูกเองเคยเป็นพี่น้องกับตัวเธอส่วนลูกสาวเธอในชาตินี้และพระลูกศิษย์ก็เคยเป็นลูกสาวกับลูกชายของเธอใช่พร <No. S 1> ะลูกศิษย์นี้เคยเป็นลูกชายงเธอ <No. S 1> ในอดีตใ mm hmm. ครสร้าบบรมีกมู่คณะมา ดยพุทธนาท์ี่ผ่านมาก็เป็นผู้หญิงมีครอบครัวแต่เป็นกองสเสบียงขงหมกคณะแต่มีใจรักการปฏิบัติธรรมโดยมีผลการปฏิบัติธรรมเขาถึงดวงใสๆองค์พระใสๆแล้วคองตัวกลับดูสิบุรีวงมนตพิเศษได้เรามาสร้างบรรมีได้ทั้งสองรอบจ้ะพุทธนนทิที่ผ่านมาพระลูกศิ์ก็ได้เป็นลูกชายของเธอได้ออกบวตามพระราชาองค์ที่ออกบวช มาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตอีผลการปฏิบัติทำให้ถึงองค์พระใสใสอัตวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบรมีได้ทั้งสองรอบจ้ะอันนี้สงการเผยแผ่โดยย่อก็จะทำให้มีดวงปัญญามีบริวารสมบัติมีพวกพ้องเป็นต้นจ้ะพองลูกรอดตายจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงสองครั้งพระ ท่าน ม, มีกรรมปานาติบาตประสงค์ผล<ม>จึงทําให้อรอดตายได้<ม>แต่ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสองครั้งเพราะกรรมอนุโมทนาบาป<ม>ทิตาหารในบ้านเมืองเมืองของตนไปรบชนะศึกมาได้<ม>แต่ไม่ได้มีกรรมฆ่าใครตายด้วยตนเองนะคะรบจรึงทําให้อรอดตายได้จ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวะ ระดับทั่วไปอยู่ในหมู่บ้านภุมเทวาแห่งหนึง่งได้รับบุญที่ลูกชามุทิตไปให้แล้ว<ม>ก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นใช่แม่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ใช่นะตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาฉันดีอยู่ในหมู่บ้านภุมะเทวาเดียวกันกับพ่อจชะ เวลาบนเทือที่ไปให้แล้วก็ท้ายมีสภาพที่ดีขึ้นแจสมเอ็งลูกชอบดื่มล่าสุบุรีอายุสัน้นเพราะกรรมที่เคยดื่มล้าสุบุรีและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มด้วยเนะี่ยมารวมส่งผลจแจตายแล้วก็ไปอยู่ในยมโลกของมหานระะขุมห้าโดยกรรมดื่มล่าสุบุรีกำลังโดนเจตนากรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์รมานมาก ได้รบบนที่ที่ไปให้แล้วก็ได้รับการลดย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดการเจ้าคำถามที่ลูกฝากไปถามสามีว่ารู้สึกอย่างไรบ้างสามีก็ฝากมาบอกว่าทรมานมากเหลือเกิน<อ>เข็ดแล้วเข็ดจริงๆให้ดินตายจะไม่ดื่มเหล้าสูบุรีอีกแล้ว อ, อยากจะพ้นจากตรงนี้ไปจ้า ฝาความหวังไว้กับดาริ่งนี่แหละ oh. ช่วยทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆเข oh. ็ดแล้วเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายทั้งนี้ก็ดิ้นตายแล้วตายอีก oh. ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย oh. อยากให้ดาริ่งส่งบุญไปให้เยอะๆการนี้มาเจอกันแล้วให้ตังใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามทิดไปดูสิบุรี ว่องมูลวิเศษเขตบรลลัามาโพธิษัต์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เปเรื่องราวของเคสสต๊าดี้สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้